บอกไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงตลอดสายของการปฏิบัติมีตัดเป็นสามคังก็ไม่เที่ยงีเที่ยงแต่ว่าความไม่เที่ยงมันจะต่างกันตัดเนตั้งนึงสครั้งเวลาไม่เที่ยงหนีไป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 เราก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันแจ่มจ้าทั้งวันทั้งคืนมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างางั้นคุณหมอตู้บอกไหมพอตื่นเช้าเราก็หยิบฉวยจิตขึ้นมางานแรกที่นัดปฏิบัติชั้นดีทำก็คือหยิบช่วยขึ้นมายหยิบง่ายแต่ปล่อยไม่ออกไม่ว่างรู้สึกไหมจับไว้แต่ไม่ปล่อยปล่อยยากที่สุด น, นั่นแหละ เช้ารีบแต่ครุ่จิตเวยก่อนไอ้ป้าจิตเอามาดูมีมือลึกลับมันหนึ่งนะเช้าขึ้มามีมือลึกลับมันหนึ่งยิบมาเลยเอามานั่งดูดูเช้ายันค่ำปล่อยไม่เป็นมันก็จะดูไปเรื่อยวันหนึ่งมันปัญญาแจ้งขึ้นมาว่านี้มันทุกข์ล้วนๆพอมันแจ้งว่านี้ทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยเหมือนเราหยิบอันนี้ขึ้นมาทีแรกเราว่าเป็นของดีไม่ปล่อยมาดูไปดูมา ต่อมาเรารู้ว่าอา้าวนี่มันยิ่งคือไสเดือนอะไรมันจะกว้างทิ้งมันจะหว่างต้องทําไปเรื่อยๆนะทำนานหลายปีทําไปไปเรื่อยเป็นกว่าจะสุดสายที่เราจะปฏิบัติกันใจมันเลิกมันยิ้มมันพอมันเลิกตอนนี้ใจยังไม่หยิ่มยังไม่พอเพราะยังไม่เลิกเที่ยวคนว้นกว่าเที่ยวดิ้นรนคน้นกว่าแสวงหาอยากปฏิบัติ มัเป็นอย่างนั้นเละดีแล้วภาวนาดีนะะเอาตัวรอดได้ก็ดีหละใครยังเอาตัวไม่รอดก็พยายามรู้กายรู้ใจนะม่ได้มีอะไรยากเลยรู้กายด้วยความเป็นกลางรู้ใจด้วยความเป็นกลางรู้ด้วยความเป็นกลางไปด้วยเป็นกลางต่อกายเป็นกลางต่อใจเป็นกลางต่อความทุกขความทุกข์ถ้าหากไม่เป็นกลางล่ะไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเช่นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเกลียดมันรู้ว่าเกลียด เห็นความสุขเกิดขึ้นแล้วพอใจรู้ว่าพอใจที่นี่แมงวันเยอะมากทั้งแมงวันทั้งแมงบีนะเยอะข้างๆนี่เขาทำไร่มันทาไร่อะไรเงี้ยเขาใส่ปุ๋ยขี้ไก่กันแมงวันชอบมากเลยปุ๋ยขี้ไก่ใครกินข้าวที่แมงวันตอมก็คืออ้าคุณคณิต h าเป็นไงบ้าง แปลววั น, นี้มากันพร้อมนั่นแหละมันต้อง่วยไปเรื่อยนะ่วยไปจนวันสุดท้ายแหละอืมเออนะมันจะเห็นขันเป็นทุกข์นะแต่ขันอื่นๆรองเป็นทุกข์จิตจะไม่ค่อยเป็นทุกข์เท่าไหร่ จะเห็นว่าแค่จิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีความสุขค่อยๆฝึกไปจนวันใดเห็นว่าจิตเป็นทุกข์นี่แหละถึงยังวางมีความสุขเหมือนใจจะจ้าจับจ้าอยู่นั้นไม่หมองจะเรียนอะไรเนาะรู้จะสอนอะไรจิงๆก็มีแค่ที่บอกนี้แหละนะเท่านี้เองไม่ได้มากกว่านี้หรอก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 บางสำนักขยับมือเนะี่ยก็ไปเพ่งใส่มือนะบางสำนักรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งใส่ลมหายใจบางสำนักบริกรรมนะพุทโธพุทโธสัมมาระหังอะไรก็ตามนะก็ไปบังคับให้ใจนิ่งนะคือการเพ่งเหมือนๆกันทั้งนั้นนะแต่ถ้าจะทําให้ถูกเนี่ยเบื้องต้นเอากรรมาฐานอะไรมาสักอย่างหนึ่งหลวงพ่อสอนเหมาๆ เ, เลยนะเพราะว่ามาจากทุกสำนักอวัดหลวงพ่อเนี่ยมีทุกสำนักไม่ลังเกียจ น, นะ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 ดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆใจเบิดบานมีความสุขขึ้นมามีปีติมีความสุขรู้ว่าใจเรามีปีติมีความสุขนะดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆวัน น, Ng น, น, นนะี้หงุดหงิดวันนี้ฟุ้งซ่านนะรู้ว่าหงุดหงิดรู้ว่านฟะุ้งซ่านดูท้องพองยุบไปนะสบายใจรู้ว่าสบายใจเครียดรู้วนะ่าเครียดดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆสภาวะอะไรเกิดขึ้นที่ใจก็คอยรู้ไปเป็นการหัดรู้สภาวะนั่นเอง คนที่ฝึกอย่างอื่นก็ใช้ได้นะสืดดวอว่ า, าเดินจงกรมยกเท้าย่างขาเดินจงกรมไปสักพักหนึ่งใจหนีไปคิดรู้ว่าใจเราหนีไปคิดแล้วเดินไปสักพักนึงใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่เท้ารู้ว่าเราเข้าไปเพ่งที่เท้าเดินไปจิตใจมีปีติตัวเบาตัวลอยลอยรู้ว่ามีปีติเดินไปแล้ววันนี้เครียดฟุ้งซ่านมากรู้ว่าฟุ้งซ่านเดินไปแล้วก็จิตใจเป็นยังไงคอยรู้ทันไปเรื่อยๆให้หลักเดียวกัน คนไหนหัดกำหนดลมหายใจรู้ลมหายใจนะหายใจไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งจิตก็อนีไปคิดรู้ว่าจิตนีไปคิดหายใจไปจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าเพ่งลมหายใจหายใจไปเกิดปีตินะรู้ว่ามีปีติเกิด 88, สุขรู้ว่าสุขหายใจแล้วจิตใจว้าวุ่นฟุ้งต้านนะรู้ว่าฟุ้งต้านหายใจแล้วจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไง น, <comida> นี่เป็นการทากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนเป็นเครื่องอาศัย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 งั้นเราดูท้องของยุบเราก็จะเห็นเลยท้องมันพองยุบไปใจมันเป็นคนดูนะบางคนรู้อิริยาบทสี่รู้รูปยืนเดินนั่งนอนนะสายท่านาจัรแนบสายอภิธรรมสายอ า, ายจารแนบเนี่ยจะรู้อิริยาบทสี่ก็ใช้ได้เหมือนกันก็นะเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูเราจะเห็นในกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นชับพลันว่า ก, กายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะงั้นเราจะต้องรู้กายต้องรู้ใจไป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 ลงไปช่วขณะแล้วก็ขึ้นมารับอารมณ์ใหม่คอยรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีอะไรยากหรอกไม่ใช่มีอะไรลึกลับเลยหัดรู้ไปเรื่อยๆทีแรกเราก็รู้แต่ของหยาบต่อไปจิตใจเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวสักนิดเดียวเราก็เห็นแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็จะวิ่งไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองไปปรุงแต่งปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงชั่วก็ทุกแบบคนชั่วปรุงดีก็ทุกแบบคนดี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 จิตที่เป็นมหากุสุรจิตนี้เบานุ่มนว ล, นลอ่อนโยนคล่องแฝงว่องไวนะไม่ซึมไม่ชื่อนะต้องคล่องแฝ่ว่องไวด้วยไม่สูกกิเลสครอบงำอย่างเรานักปฏิบัติเราจงใจปฏิบัติในกิเลสครอบงำลนะอยากปฏิบัติอยากปฏิบัตินั่อะไรตัวกิเลสแหะนะเมื่อประมาณปีสองเจ็ดสองแปดหลังนั้นนะประมาณใกล้ๆสามศูนยหลวงพ่อไปอยู่ในวัดป่าที่หนึ่งตอนเช้าอยากภาวนา แตคิดว่าจะภาวนาซะเลนะพระองค์หนึ่งตะโกนข้ามบ่อน้ำมาเลยบอกปราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วแหมฟังแล้วแหมมันตาบซึงถึงใจอยากปฏิบัติยังผิดเลยนะไอ้ไม่อยากปฏิบัติยิ่งผิดหนักใหญ่นะนะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องดักไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อสอนว่าไม่ต้องปฏิบัตนะิอยากปฏิบัติยังผิดเลยแล้วก็ไม่อยากปฏิบัติยิ่งผิดหนักขึ้นอีกนะอย่างบอกเราไม่ติดดีนะ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 คนที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมีนับไม่ถูกแล้วนะตอนนี้เยอะมากมีแผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวแหลนะจันเพียงจันทมีเทปอยู่ม้วนหนึ่งเนะมื่อกี้เห็นแว บ, บๆอยู่ในยกมือหน่อยนะจันเพียงจันทอยู่ไหมอ๋ออยู่นูน่น น, นั่นแหะมีเทปหลวงพ่ออยู่ม้วนเดียวนะมาสมัยแรกไม่มีซีดีให้มาอัดเพลงฟังจนเทปยืดเลยนะเทปยืดพร้อมๆกับจิตตื่นขึ้นมาคุ้มค่านะเสียเทเปไปม้วนหนึ่ง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 เป็นทางที่ผิดบทเรียนต่อมาในหนังสือเรื่องทางเองกที่จะบอกว่าแล้วทางที่ถูกมันเกิดได้ยังไงทางที่ถูกเราไปสั่งให้เกิดไม่เกิดนะต้องรู้ว่าต้นทางทจริงอยู่ตรงไหนที่หลวงพ่อพูดซ้ําไปซ้ํามาต้นทางก็คือหัดรู้สภาวะนะพอเรารู้สภาวะแล้วต่อไปพอสภาวะเกิดสติจะเกิดเองเมื่อสติเกิดขึ้นมานะจิตจะมีความสุขเมื่อจิตมีความสุข จิตจะมีสมาธินะสมาธิเกิดจากความสุขจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตมีสมาธิจิตจะเกิดปัญญาปัญญาเนี่ยมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็คือการที่จิตมันรู้ความจริงของกายของใจนะเมื่อปัญญาเกิดวิมุตต์จะเกิดคือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เมื่อวิมุตต์เกิดแล้วเนี่ยวิมุตต์ยานทัศนะคือความเข้าใจถึงความหลุดพ้นเนั่นจะเกิดขึ้น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 หลังจากนั้นก็จะเล่าตัวอย่างของการปฏิบัติเล่าตัวอย่างการปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนในเมืองคือเรื่องของระโปธิระเรื่องทราไบร์ลันเล่าระโปธิระทำกรรมฐานด้วยการดูจิตดูจิตเป็นวิธีง่ายๆถัดจากนั้นบทต่อไปจะพูดถึงปลายทางของการปฏิบัติแล้วนะจุดหมายปลายทางเลยตัวนิโรด น, นั่นเองตัวนิโรตตัวนิพพานตัวสุญญาตา เราไปอ่านดูนะแล้วบทสุดท้ายนี่แหละเป็นบทที่หลวงพ่อจะโดนก้อนหินคือจะเล่าถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆแล้วก็จะเทียบกับปริยัติให้ดูว่าแต่ละแนวเนี้ยมันถูกกับปริยัติไหมหรือมันไม่ถูกทําไมหลวงพ่อไปอ้างปริยัติเพื่อหลวงพ่อจะได้ไม่เจ็บตัวใครบอกว่าหลวงพ่อมาคัดค้านเขาหลวงพ่อบอกปริยัติเพราะว่าอย่างนี้ ไปอ่านนะไปอ่านเพื่อโมโหหลวงพ่อจะได้ไม่มาหลวพ่อจะได้สบายบ้างนะนี่โฆษณาห น, านังสือนะโฆษณ า, าแจกนะ้าใครมีอะไรจะคุยบ้างนะนุชรัดเป็นไงนะเราอาชื่อนุชรัดนอยงหันไม่หาใครนะไม่ต้องเสียงเราดังละ อืมอืมกินไะด้ใช้ได้แล้วดูไปดูไปด้วยถ้าโหงมากก็ไปหาหมอนะเป็นโรคประหลาดอะไร เ, เออนั่นแหละยังมันหลอกถามเลยว่าโรคกายโรคใจ อ, คใคอ้าวชื่ออะไรลืมอีกล้วดูสิแต่กี้ยังนึกได้เลยคุณปปาเนี่ย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 แต่ต้องรู้ทันทีนะเหลอไปก่อนคิดไปเรื่อยๆจกนกระทั่งโมโหแล้วมารู้ว่าเผลออย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใช่ไม่ได้ต้องรู้ตามหลังติดๆไปพ่อเป็นไงพ่อญญอะไรนะอย่าขี้เกียจ น, นะอ่ะ คือชาวพุทธเนี่ยไม่ขี้เกียจทมามหากินจะมาอ้างว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วขี้เกียจทมาหากินใช้ไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ขี้เกียจสอนให้ขยั น, น, น, นก็ดีแล้วนี่เวลานอนไม่หลับต้องทำใจให้สบายนะครัความรู้สึกดีใจไว้ก่อนโอวันนี้ไม่หลับเลยจะได้ภาวนาโต้รุง่ง ทําใจอย่างนี้นะเดี๋ยวก็หลับโอ้ยทาไมต้องตื่นสีหนึ่งอ้าวแม่มีเป็นไงอะไรนะอย่าบังคับนะ อะไรนะ ทิ้งนะอย่าเพิ่งไปทิ้งมันต้องอาศัยไปก่อนไม่ไม่ทำตามรูปแบบไม่เป็นไรสําคัญี่ก็คืออะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้ทันเช่นเราจะกระดุกกระดิกเนะี่ยเราจะรู้สึกเห็นร่างกายกระดุกกระดิกเลยหรืออะไรแปกปลอมขึ้นในใจนะก็มีสติรู้ทันนะเช่นน้อยใจฝุดขึ้นมาเนี่ยเห็นความน้อยใจไปดูไป เราไม่ได้ใช้จิตทําอะไรหรอกแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะ่ะก็มีสติคอยรู้เราจะไปใช้จิตได้ยังไง่ายจิตอันนั้ใ น, ในมันจงใจรู้นะให้สติเกิดเองเช่นพอมันโกรธขึ้นมาเราลู้ขึ้นได้ว่าโกรธเนี่ยนี้ใช้ ไ, ไดนะ้ไม่ใช่ว่าไปนั่งจ้องนั่งจ้องรอดูว่าเมื่อไหร่จะโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้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 จะขยับมือทํำจังหวะจะรู้อิริยาบถสีอะไรก็ได้ทําไปเถอะจะ่ทำแล้วคอยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆหัดรู้ไปจนจิตมันจําสภาวะได้เชนะ่นอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจนี้นึงเห็นละแล้วก็จะเห็นเลยสภาวะอันนี้ไม่เที่ยงหรอกเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปดูไปอย่างเนี้ยครับส่งกันบ้าน ทำไมชอบมาถามหลวงพ่อว่าดีหรือไม่ดีทีแรกก็ตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็งลงมือปฏิบัติไปแล้วก็รู้ทันมันก็ค่อยๆ ค, ค, ค, ค, คลายออกนะแต่ถ้าเริ่มต้นบอกว่าจะไม่จงใจปฏิบัติเลยทิ้งรูปแบบไปเลยไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิอะไรเงี้ยบางทีเฉยไปเลยครูบาอาจารย์เลยสอนบอกเื้องต้นตึงไว้นิดหนึ่งก็ยังดีแต่ก็รู้ทันว่าเราไปตึงมันอยู่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 ให้รู้ทันตรงที่ตึงเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายกูศนนะตรงที่ฟุ้งซ่านเนี่ยตรงแต่งฝ่ายอักกูสนปรุงเหมือนกันใครรู้ไปนะรู้ทันไม่ต้องแก้นะถ้าแก้แล้วก็ไปใหญ่ใครมันพูดแข่งกับหลวงพ่อตัอเรเนี่ยไอ้เนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกตาบรู้เรียกว่าตาบพูด <c oughs> ใจลอยไปนะ้อ้าวส่งกันบ้าน นั่นแหละนั่นแหละไม่เหมือนกันที่ทำอยู่พอใช้ได้แล้วดูไปด้ดีแล้วโน่ลนล่ะผมยาวๆเป็นไงนั่นแหละเราได้ กิเลสเกิดเห็นไหมอ้าวคุณโนสตสตรงกันบ้านพี่ทำอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะดีแล้วใช้ได้แล้วดูไปด้วยวันหนึ่งก็ตัดอ้าวคุณวุ้น สบายนะแต่ว่ากิเิตเกิดต้องเห็นนะเนี่ยสบายแล้วเปลินๆไปเลยนะเอาจาันตูมันอะไรนะธรรมดาความปรุงแต่งฝ่ายอาคุสนมันเยอะ ความปรุงแต่งสายูุสนเกิดน้อยกว่าธรรมดาแต่ว่าทุกครั้งที่รู้นะก็ได้คะแนนไปด้วยแลย้วจิตเป็นยังไงวันเนี้ยรู้สึกไหมมันไม่แช่มชื่นเท่าไหรนะ่มันลุกรียลุกลด น, นะรู้สันนะรู้ไปไม่ต้องไปทำให้ดีหรอกรู้อย่างที่เขาเป็นจะได้ละ่ะดเรเล็กล่ะเป็นไง หรอพูดเป็นใจรักนะถามที่ใจตอบเป็นใจรักทุกครั้งขึ้นๆลงๆดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยาสองพี่น้องนี้ ดแล้วใช้ได้ดูไปนะแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะดูออกไหมขนาดนี้ใช้ไม่ได้แต่ที่ทำอยู่ใช้ได้ อย่างนั้นแหลนะเราจะเห็นขันไม่ใช่ตัวเราเหรอกเออต้องทำอย่างนั้นแหละดีแล้วนะทำต่อไปดีแล้วทำได้ดีละเราจะเห็นขันห้ามมันทำงานเช่นมันไปร้องเพลงเรียงดีนะบางคนมันด่าหลวงพ่อนะ นั่งแล้วจิตไม่ทำอะไรอย่างอื่นดา่ารู้ข้ออย่างเดียวดา่ดาไปขอาเข้ามาไปบางคนก็ร้องเพลงแต่ร้องเพลงที่แย่หน่อยคือร้องประโยคเดียวร้องซ้าอยู่นั่นแะสามวันสามคืนนะมันทำงานเองขันมันแสดงให้เราดูร่างกายมันก็ขับรถไปจิตใจมันก็ทำงานทังมันไป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 วันนี้ชอบแบบเงียบๆตอบหลวงพ่แบบเซนนิฟเป็นไงเหรออะไรเรื่อยๆอ๋อนืว่ามีกิเลสเรื่อยๆไปตามกิเลสไปเรื่อยๆดีแล้วดีและ ด, ดูไปครึ่งเป็นไงสังก เ, เกตไม่ใจมันสว่างกว่าแต่ก่อน มันผ่องใสมันสบายมันเบาหวัวแตกต่อนรู้สึกไหมทำแปดดีละอ่ะคพ่งอ่ะเรื่อยๆไม่คนรละพวกนั่งริมนี้เรื่อยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> คนะจิตเราเป็นยังไงดูออกไหมขณะ น, นี้อะไรนะอะไม่เบิกบานรู้ทันมันได้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 บางคนเนี่ยคุยกับหลวงพ่อเลยเกรงเลยไม่ค่อยกล้าพูดนะพูดอะไรก็โดนดักหน้าดักหลังไปเรื่อยนะคือเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเอาสงบไม่ได้ปฏิบัติเอาดีแต่เราปฏิบัติหลวงพ่อบอกไปแล้วนะเพื่อจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราแม้เราจะเห็นเลยจิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดียเด๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านหาความแน่นอนไม่ได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนที่ยึดตือได้เลย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 ต่างแล้วงงงงรู้ว่างงดีเนี่ยใชจิตเป็นอัคคุศสนรู้ว่าเป็นอัคคุสสนนั่นดีเพรนั้นดีกับไม่ดีนี่มีคนมาตรฐานกันถ้ามาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยถ้าจิตมีความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ดีนะถ้ามาตรฐานของการปฏิบัติเนี่ยจิตไม่ดีจิตเป็นอัคคุสสนรู้ว่าเป็นอัคคุสสนดีนะคุณธรรมาตรฐานกันแล้วเราจะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายกใจไม่ใช่ตัวเรา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 แต่เป็นอุบายนะเป็นอุบายแก้ฟุง้งนะเช่นเราคิดถึงคนนี้แล้วเราเกลียดมันมากเลยจิตเราฟุ้งซ่านไปด้วยมีโทสศัพด้วยแล้วก็ช่วยพิจารณาไปก็ได้เนี่ยไปเกลียดเขาเลยจิตใจไม่สบายไม่สงบนะไม่ควรจะโกรธกันตัดทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเลย ค, ค, คิดไปแล้จิตใจสบายเพราะฉะนั้นะการคิดพิจรารณาเนี่ยเพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะถามว่าดีไหมสมถะดีแต่ดีแบบสมถะ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 หรือใครจะทำวิปัสสนานะก็อย่าไปเกลียดสมถะหลายคนทําวิปัสสนาบอกไม่เอาสมถะหลวงพ่อเห็นติดสมถะทั้งนั้นเลยพวกที่บอกว่าไม่เอาสมถนะเช่นขยับมือนะบอกไม่เอาสมถะนะขยับไปแล้วเกิดผิดสี่เลยนะหรือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะรู้สึกตัวลอยตัวเบาเลยอาการของสมถะทั้งนั้นเงั้นเราก็เลือกเอานะทําด้วยปัญญาอยิ่งทนะ่าบอก ทำที่ควรจเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะและวิปัสสนาปัญญายิ่งก็คือขณะนี้เราควรจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรต้องรู้ชัดนะระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัวเช่นขณะนี้จิตใจเราฟุ้งซ่านมากแล้วดูกายดูใจไม่ออกล่ะนี่ต้องทําสมถะพุทโธพุทโธไปหายใจไปดูท้องของยุบไปนะยกเทา้าย่างเทา้าไปนี่สมถะทั้งนั้นน่ะ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 เป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราแะถ้าจะดูจิตนะเช่นจิตมันฟุ้งซ่านมากเราก็ไปเดินจงกรมเดินไปแล้วจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตหนีไปคิดรูว้ว่าหนีไปคิดนี่กลับมาดูจิตได้ ล, ละเนื้อสมถะก็มีประโยชน์เป็นแนวสร้างรับของเราไม่ไม่ควรหลังเกียรตหรอกแต่ก็ไม่ใช่เอาสมถะนะทําแบบไม่ลืมหูลืมตานะลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้หรอก ถ้าทำสมถะแล้วบรรู้มรรคผลนิพพานเกิดสติเกิดสัญญาฤทีทั้งหลายไปก่อนละนะอย่างอาลาระดาบทุกกดาบทําสมถะเก่งแต่เจริญวิปัสนาไม่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วอยากไปสอนผู้นี้เพราะกิเลสเบาบางรู้ว่าตายกันแล้วผู้นี้ตายไปสักก่อนละไปเกิดเป็นพระพรหมนะนี่พระพรมแบบไม่มีรูปด้วยไม่ใช่พระพรหมเอาราวัณ น, นะมีรูปมีรูปเป็นตุขทุพได้ใช่ไหม เป็นพรหมไม่มีรูปเพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าไปเป็นพรหมไม่มีรูปนะท่านอุทานเลยว่าคิปหายนะไม่ใช่อุทานว่าโอ้ขลังจังอุทานว่าคิปหายแนละ้วงั้นทำสมถารวดไปไม่ดีนะทิ้งสมถารไปเลยก็ไม่ดีปฏิบัติแล้วแห้งแรงแต่ต้องรู้จังหวะของตัวเองจังหวะนี้ควรจะพักผ่อนทําสมถารจังหวะนี้จิตใจตั้งมั่นดีแล้วควรจะเลิศปัญญา ถ้ารู้กายได้ก็รู้กายรู้จิตได้รู้จิตแปรู้จิตได้ก็รู้จิตรู้จิตไม่ได้รู้กายเห็นกายนี่ยืนเดินนั่งนอนไปรู้กายไม่ได้ทำสมถาทำสมถาไม่ได้ไปหาอะไรก็ได้ที่เป็นกุศลทํเห็นไหมหลวงพ้าลดระดับให้เยอะเลยนะทำสมถะก็ไม่ได้แล้วก็ไปหาอะไรที่เป็นกุศลทำเช่นไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยนะ ให้อาหารหมาแมวยกเว้นที่นี่นะขอร้องว่าอย่ามาให้อาหารหมาแมวที่นี่นะเดี๋ยวห ม, มามาอยู่เต็มบ้านเลยพวกเราคออนอาญาหรือไปเลี้ยงปลาก็ได้หลายวัดก็มีวังมัตฉาให้เพื่ออาหารเลี้ยงปลานะปลาได้กินอาหารปลาได้เงินมีความสุขทั่วๆกันเราเลี้ยงไปแล้วแมมใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขกลับมาดูใจได้ละ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 บีกว่ากว่าอีกซึกไม่นานหรอกทาไปทําไปวันหนึ่งใจก็แจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราห้าจีนนี้มาจากไหนกันบ้างอ๋อมาจากวิเวกเหรอใกล้ๆเนาะเออครับสุดท้ายหรือเปล่า <laughs> ครั้งแรกไม่เป็นไรนะ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 โยมสังเกตอันหนึ่งนะฝากอันบ้านเรามีความจงใจที่จะปฏิบัติเหลืออยู่ไหมนั่นแหละตัวนั้นแหละไปดูนะดูตัวนี้ของคุณที่ติดอยู่ตอนนี้คือตัวนี้แหละพอเราจงใจเนี่ยมันจะยืนพื้นทื่อๆอยู่นิดหนึ่งมีความนิ่งๆทื่อๆอยู่นิดหนึ่งตัวอื่นเคลื่อนไหวหมดเลยแต่ไอตัวที่เป็นคนดูเนี่ยนะจะนิ่งๆ ท, ทื่อๆอยู่นะแล้วค่อยดูตรงนี้นะคือเรายังจงใจปฏิบัติ อย่างตอนเนี้ยใจหนีไปไหวๆแล้วรู้สึกไหม ใ, ให้รู้นะรู้สักว่ารู้ไม่ใช่ถล่มลงไปรู้นะรู้อยู่ห่างๆดูเหมือนคนวงนอกดูนะไม่ใช่ถล่มเข้าไปเนี่ย ใ, ใจไหลแวบหนึ่งดูออกยังไหมขาดแวบไปเฉยๆก็รู้อย่างนันะรู้ไปนะแต่โยมต้องทําให้สบายกว่านี้นะโยงใจเยอะไปนิดนึงโยงใจไป ม, มากไปเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดทราบไหแต่ไ ห, หลไปคิดแวบะ ใ, ให้รู้ทัน ของโยมเนี่ยมันจงใจจนกระทั่งใจมันมีตัวหนึ่งที่นิ่งยืนคืนอยู่ะที่หลวงพ่อบอกว่าใจมันนิ่งๆอ่ะอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาเห็นแล้วว่าอารมณ์เคลื่อนไหวแต่ใจเราเราประคองจนมันนิ่งนะเพราะเราจงใจปฏิบัติเราไปประครองตัวนี้จนนิ่ง mm hmm. เราจะต้องเห็นด้วยว่าตัวนี้เองก็ไม่เที่ยงเป mm hmm. ลี่ยนแปลงไม่งั้นเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตายกเว้นให้คนที่ดูนี่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 ปรับนิดเดียวอาจารย์ก็สอนดีนะแต่บางทีเราทำแล้วมันไม่ตรงไม่ตรงกัสบสภาว ะ, าวะอ่าเนี่ยเราทำไมไปกำหนดเครียดหนอเครียดหนอเพราะเราไม่อยากเครียดใช่ไหมเพราะพอเครียดเกิดที่มาเราเครียดหนอเครียดหนอหายเครียดนั่นคือสมถะนะคือสมถะ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 เพือเตือนตัวเองให้เห็นสภาวะของความเครียดที่เดี๋ยวก็เครียดแรงเดี๋ยวก็เครียดเบารู้สึกไม่ความเครียดมีดีกรีที่ไม่คงที่ดูไปเรื่อยๆนะแต่ใจตัวนี้ต้องสบายของคุณเหนือปัญหานเดียวคือใจตัวนี้ไม่สบายใจตัวนี้แข็งไปนะมีใจที่แข็งยืนพื้นอยู่ตัวหนึ่งนะพอตัวนี้แข็งอยู่อย่างเนี้ยมันจะปิดกั้นการเจริญปัญญามันจะเห็นตัวอื่นไม่เที่ยงนะยกเว้นตัวนี้เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าจิตของเราเที่ยง เราจะเห็นว่าจิตเป็นของบังคับได้ยิ่งฝึกไปนานๆพอเราแก่เนี่ยนะปัป๊บโกรธปั๊บโกรนเนาะที่เดียวหายโกรธละเครียดเนาะที่เดียวหายเครียดละเราจะรู้สึกว่าเราบังคับได้เราแก้ไขได้คือแ ท, ทนที่เราจะเห็นว่าเป็นอนัตตาล้วกลับไปเห็นว่าเป็นอนตาจิตนี้ถ้าเราฝึกดีแล้วเนี่ยนะเราสามารถบังคับได้เนี่ยเราจะไปเกิดความเห็นผิดขึ้นแต่เราจะต้องเห็นไปเรื่อยเขาทำงานของเขาเองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย จนวันหนึ่งรู้แจ้งเลยเขาเป็นอนาาัตตาเราบังคับเขาไม่ได้ฝากไว้นะตัวนี้ของคุณเนะ่พื้นฐานดีมากเลยนะร้อยคนผันคนยังไม่ได้สักคนอา้าวอาจารย์ปูอาจารย์สุรวัตรมาไหมมาเหรอเรแต่ปีเลียงรูปอยู่ที่อื่นว่าไงอาจารย์ปูเป็นไง ดังนี่เถอหลวพ่อดีข้างนอกเสียงมันดังไยชั่งก็ทำงานไม่เลิกทำทั้งวันทั้งคืนเนอะเมื่อวานกำแพงกั้นที่จอดรถเนี่ยทลายลงไปฝนตกหน่อยเดียวพังขึ้นมาต่ำกันทั้งคืนหนระือาว่าไปว่าไป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 อยู่กับโลกแล้วก็อาศัยผัสสะการกระทบกระทั่งเนี่ยมารู้ทันใจของเราถ้าเราหนีโลกถอดถอยไปอยู่ถ้าคนเดียวบอกไม่เคยโกรธใครเลยเนีย่ความโกรธไม่โผล่มาปีหนึ่งแล้ว <Okay. S 1> ถ้าใครบอกงี้เราชี้หน้าด่านะโกรธเลย <Okay. S 1> ปีหนึ่งหายไปแะ้วอย่าหนี้ผัสสะ <Okay. S 1> งั้นอย่าถอดถอยนะแค่ภอวนาไปแล้วอยู่กับใครก็ไม่ได้เอยากอยู่คนเดียว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 ส่งกันบ้านแมา อ, อ า, แ า, าจารย์สุรวัตรอยู่นอกศาลาแล้วเป็นไงภาวนาอาจารย์สุรวัตรโอ้ยจนปัญญาแล้วนะอย่างบางคนบอกทำไมอ้อยพิศนาททำศาลาเล็กจังใหญ่กว่า น, นี้หลวงพ่อดูไม่ถึงแล้วไม่ได้ยินอ่ะ อ๋อนี่รู้จักพิมพ์สร้างวัด น, นะพิมพ์สร้างวัดหลวงพ่อมนตรีท่านให้สร้างมาขอลงพ่อสร้างตั้งนานนะมาขอลงพ่อว่าที่ส่วนโเนี้เล็กไปจะสร้างที่ใหม่ให้หลวงพ่อไม่เอาบอกไปภาวนาไปไม่ต้องมาสร้างที่อะไรให้หลวงพ่อหรอกนี่ก็ตาไปซื้อที่อยู่หน้าส่วนโพตาจะได้เรียนง่ายๆ ตอนหลังๆครูบาอาจารย์ ส, สั่งบอกให้หลวงพ่อย้ายที่ได้แล้วที่นั้นไม่รับคนไม่ไหวแลออ้วมอบหมายให้พ่อยนี้เป็นคนมาสร้างที่ใหม่หลวงพ่อเลยจับใจรับนะออปฏิเสธเขามาตั้งสามสี่ครั้งแล้วมาขออยู่เรื่อยๆขอสร้างขอสร้างไม่เอาสร้างภาวนาไปอยากสร้างคนไม่ใช่สร้างที่แต่ว่ามันก็ต้องอาศัยที่เนาะ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 คนพูดมากไม่เอาเ <Yeah. S 1> นี่ยข้อแรกเลยเดี๋ยวไปชวนคนอื่นเขาพูย <Yeah. S 1> เอาแต่คนจเจริญสติ <Yeah. S 1> ว่าไงโยผู้ชายเนี่มีอะไรไหม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 จิตที่เป็นมหากุสสนนะ่ะนุ่มนวลมีมุทุตาจะมีความเบาคุณรู้สึกไหมไม่เบาไม่มีลัหุตานะคุณรู้สึกไหมมันนิ่งมันคงที่อยู่นั้นไม่ปราดเปรียวไม่คล่องแคล่วว่องไวไม่มีปาคุณตาเพราะฉะนั้นจิตดวงที่เราไปสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันจึงไม่ใช่ตัวมหากุสและจิตตัวจริงแต่เป็นจิตที่หนักๆแน่นๆ แ, แข็งๆซึมๆทื่อ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 นะขั้นที่สองทำให้เกิดปัญญานะคนละสเต็ปกันขั้นแรกทําให้มีสตนะิก่อนะส่วนใหญ่ขาดสติอ่ะไม่มีสติมันจะไปทําอะไรได้นองรู้สึกไหมว่าใจของเรามันตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อใจมันตื่นขึ้นมาคราวนี้เป็นขั้นเจริญปัญญาขั้นไปรู้กายขั้นไปรู้ใจเห็นะ <He S 2> ไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่ไปดูเป็นปฏิกูล น, นะปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริง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 ที่มีเยอะแยะเลยะย่าไม่มีปีติมันซาบซ่านขึ้นมาอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งจิตมีสติขึ้นมาก็มีความสุขละวราจิตที่มีสตินี่เป็นมหากรุสุรจิตจิตที่เป็นมหากรุสุรจิตมีโสมนัตเวทนามันจะมีความสุขโชยขึ้นมามันเกิดเองะแต่เราไม่ได้เอาไว้ยึดถืออะไรหรอกก็เห็นว่ามันปรุงของมันไปเรื่อยของไม่เที่ยงหลวงพ่อแต่ก่อนนะหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์วัดป่ า, านั่นแหละ วัดป่าแต่ก่อนี่เน้นมากเลยเรื่องจิตผู้รู้ได้ยินบ้างไหมจิตผู้รู้อย่าทิ้งจิตผู้รู้นะไม่งั้นจะเสี่ ย, ยงนั่งสมาธินั่งกันเป็นคืนคืนแล้วก็เคลิ้มก็แงกก็แงกงั้นไม่ได้ขาดสติแล้วถ้าเราจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งแบบรู้เนื้อรู้ตัวเห็นจิตใจเราสงบลงไปเห็นอนารมณ์กรรมฐานต้องมีสติประกอบตลอดสายเลยขาดสติคือขาดการปฏิบัติเลย อารุดว่าไงครับคนสุดท้ายนะคนรุดครับอืออ่าใช่ให้ได้คืออย่างที่พระเจ้าท่านสอนนะบอกว่าให้ใจเรามันพยายามคุ้นเคยกับอารมณ์ที่ดี เพราะฉั้นเวลาจะคิดเนี่ยแทนที่จะคิดสเปสสปะเราคิดเรื่องอนุสติสิบอย่างคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงอาสุพะคิดถึงกายนะคิดถึงลมหายใจเนี่ยใช้ได้จิตสงบนะถ้าเราจะพูดท่านบอกให้พูดกถาวัตถุสิบอย่าไปพูดเรื่องอื่นเรื่องการมงการเมืองผู้ละพุงสร้างนนะพูดเรื่องกถาวัตถนะุเรื่องมรคน้อยสันโดษเรื่องไม่ครุกคลีนะีนะ่เรื่องทานเรื่องศีลนะพูดเรื่องเหล่านี้แล้วจิตใจสงบ ถ้าจิตใจเราสงบเนื้อภาวนาง่ายเป็นฐานอ้าวันนี้พอนะเดี๋ยวขอหลวงพ่อคุยกับละนิดหนึง่งขอความร่วมมือโยมอย่างนี้ได้ไหมเวลาเราน้อยนะโยมเยอะถ้าโยมมาหาหลวงพ่อจีละคนเนี่ยนะอีกชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เสร็จไม่ได้คุยกับละนะ